เริ่มแต่อณูปวาโตไม่กล่าวร้ายอณูปคาโตไม่เบียดเบียนรางแผลน์สารวมในพระปฏิโมกขสอันแนละ้วนะแล้วก็รู้ประมาณในอาหารนะอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงบหมายถึงไม่คลุกเคลียอะไรนะอันที่6ประกอบอาธิจิตฝึกจิตนะมีความสุขมีความสงบอยู่นะสงบแล้วเดินปัญญาเราก็เอาไปใช้ได้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 ดูผิดมันก็เป็นสมถะไปหมดนะแต่ถ้าเราจะทําสมถะเราก็ดูแบบสมถะเรียกว่าดูถูกนะแต่ถ้าเราจะทำํำวิปัสสนาแล้วไปดูด้วยวิธีแบบสมถะก็ผิดนะวิธีการไม่เหมือนกันถ้าทําแบบสมถะนะให้ระลึกรู้อารมณ์นั้นอย่างต่อเนื่องเลยไม่ต้องสนใจเรื่องไตรลักอย่าสนใจความเปลี่ยนแปลง น, นะให้จับตัวอารมณ์นั้นประครองอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นใจสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์นั้นรู้ลมหายใจแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจได้สมถะ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 นี่บางทีเราฟังทมอันนี้แต่ว่าใจเราไปเห็นอีกมุมหนึ่งเห็นได้นะถูกทั้งคู่เลยดีไปฝึกต่อนะอา้าวดรแฮหครับก็ไปเดินมาเพิ่มครับอย่างที่หลวงพ่อแนะนำ<อ>แต่ว่าจิตเป็นไงมันก็ยังทำงานของมันไปมันต้องทางานนะจิต <laughs> ไม่ทำงานได้ยังไงอ่ะขันก็ต้องทำงาน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 ก hmm. ็พยายามมาปฏิบัต okay. ิตามแนวของหลวงพ่อค yeah, ่ะแต่ว่ามันม like mm ันเหมือนว่ามันชอบหาอค่ะมันชอบอะไรนะเหาเวลาเวลานอนนะคะเวลาปฏิบัติตอนนอนแล้วมันชอบหาอค่ะกายกายอีกกายหนึ่งม mm ันมันจะออกไปหาอประจำเลยอ๋อไปหาอหาออกไปข้างนอกกายมันจะออกเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปหาอไปยกมือแล้วก็มันมันจะมีคล้ายๆ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 อาจจะขยับไม้ <sk ill> ขยับมือเนี้ยรู้สึกตัวไปเรื่อยเลยหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อมีพัดนะหลวงพ่อขยับตัวไปเรื่อยแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วรู้สึกตัว <sk ill> เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นสมาธิมันล้ำหน้า <sk ill> นะเพิ่มสติเพิ่มเพิ่มความรู้สึกในใกายในใจขึ้นสมาธิล้ำหน้าไป <sk> <sud> ถ้าสมาธิล้ำหน้านัมันแสดงปฏิหารเหรอะได้ปล่อยควันก็ได้อความจริงเปล่งแสงก็ได้นะดีนะฝึกเอาฝึกรู้สึกตัวให้เยอะขึ้น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 จ้หนะลวงพ่อตอนเด็กๆก็ไปเล่นเหมือนกันนะนั่งหายใจเพืบเดียวปิดเล่น น, ะลนแล้ววันหนึ่งเกิดกลัวเฮ้ย hey, ถ้าวิ่งไปเจอผีเขาจะทำไงโอ้ <c oughs> oh, เราคิดรับครอบนะเจอผีเราสู้มันไม่ได้ทางที่ดีเราต้องรู้สึกตัวไว้ไม่ให้ออกไปนอกกายนะเจ้าค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็นี่เมลมาถามเอาหนีไปแล้วอาจารย์สุรวัตรหายไปไหนอาจารย์สุรวัตรหมอนักอะไรนะนะเจ็กค่ะ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 นะความสุขความทุกข์ก็แยกออกไปอีกคนะให้ฝึกไปแล้วมันขันแต่ละขันจกค่อยกระจายาแยกออกไปแล้วแต่ละขันก็ทำหน้าที่ของมันแต่ละขันไม่มีตัวเราข้้กรคุขอคแนะนำหลวงพ่อเพิ่มเติมค่ะสบายสบายขอบคุณค่ะฟังคล้ายๆร้องเพลงสบายๆร้อรยเจดสิบอ่อจุความตึกเต้นอยู่่เจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ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 ทุกเ <นะ S 1> คยเยอะก็ตอนนี้ก็ลดลงเยอะเลยนั่นแหละอย่าเอาแต่ความสุขนะ <Okay. S 1> เอาแต่ความสุขไม่ได้นะเ้าเรียกว่าประมาทไปพยายามดูไปทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเรากระทั่งความสุขก็ไม่คงที่อย่าเรามีความสุขก็จริงนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมาแล้วก็ไป <Okay. S 1> ดูอย่างนี้นะอดทนหน่อยเพื่อเราจะได้ของดีที่เหนือความสุขความทุกข์ไปอีกเบอร์สี่สิบแปดกราบน้ำมันสกัดครัคบก็บส่งกันบ้านในรอบแปดเดือนเช่นกันครับ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 การสังเกตตัวเองนะเรียกว่ามีโยนิสโสมนาสิกานนะต้องฝึกตัวนี้นะโยนิสโสมนาสิกานี้เป็นความช่างสังเกตรู้ว่าไหนถูกอะไรผิดอ่ะค่อยๆสังเกตเอาเราที่ปฏิบัติอยู่พอไปได้ไหมคะได้สิ <c oughs> ทําไปเรื่อยนะระวังอันเดียวอย่าให้ฟุ้งเยอะนะมีปัญหาของคุณก็คือมันฟุ้งใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงั้นอ่ะบริกรรมไปหายใจไปบริกรรมไปนะไม่ได้ทําไปเพื่อให้จิตสงบนะ จะทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเปอย่างเงี้ยจะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ต่อไปมันจะสงบกว่านี้พะสงบกว่านี้แล้วมันจะภาวนาได้ดีกว่านะดีกว่าปัจจุบันเอาเบอร์ร้อเชิญยืดยืดหน่อยออนอนมาศ ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อตอนนี้นี่เห็นเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งไวมากนะคะ <c oughs> ดี แล้วก็ครั้งก่อนนั้นหลวงพ่อบอกว่ายังดุไม่ค่อยเป็นกลางตอนนี้ดีขึ้นหรือยังคะดีไหมก็ยังมีอยู่พอสมควรค่ะรู้ทันก็ดีแล้วค่ะนะอีกเรื่องหนึ่งค่ะหลวงพ่อเรื่องอัตตาเนี่ยค่ะเรื่องอะไรนะอัตตานะคะมันจะเห็นว่ามันพองขึ้นเล็กน้อยมันไม่ยุบนะคะแล้วก็เหมือนมันจะแตก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 อยู่ไหนร้อยสิบหมอแดงป่อ<ค>ะอ๋อ้วว่าไปเกือบสี่เดือนที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านบอกว่าให้ภาวนาโดยไม่ให้อยา่าอยากอย่าจงใจะะอ่ะค่ะหนูทําไม่ได้ะคะ่ะเหแล้วทําอะไรได้บ้างหนูก็ดันทุลังภาวนาไปเรื่อยๆเลยค่ะดันทุลังอย่างเนี้ยยังดี <laughs> ไม่ใช่ดันทุลังไม่ภาวนาไปเรื่อยๆ <laughs> แล้วไงแล้วเป็นไงค่ะ มันก็อย่างนี้ค่ะมันมันอย่างนี้มันเที่ยงไม่เที่ยงอ่ะไม่ค่ะดูไปสิมันไม่คงที่สักวันเดียวบางทีมันก็มันก็ขี้เกียจภาวนาคะแต่ว่ามันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้ที่จงใจไอ้ที่ความอยากหรือความจงใจเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่มีไปองของมันเองมีบ้างไม่มีบ้างไปคือภาวนาเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆนะไม่หยุดหรอก